สองโกศิยว์โมวดว่าด้วยสันถัดใยไหมหนึ่งโกศิยศสิกขาบทว่าด้วยการทำสันทัดใยไหมเรื่องพระชพคีห4า ส, ส, สีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณอคาระวะเจดีเขตเมืองอารวีครั้งนั้น พวกภิกษุชาวพัคีเข้าไปหาพวกช่างทอผ้าไหมแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านจงต้มตัวไหมจํานวนมากให้แก่พวกอัตมาบ้างพวกอัตมาต้องการจะทำสันถัดผสมยยใยไหมพวกช่างทอผ้าไหมจึงพากันตาหนิประณนามโพนธนาว่าฉนัพระสมณะเชื้อสายสากะยะบุตรเข้ามาหาพวกเราแล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายพวกท่านจงต้มตัวไหมจำนวนมากให้แก่อาตมาบ้างพวกอาตมาต้องการจะทำสันทัดผสมใยไหมดังนี้เล่าอนหนึ่งไม่ใช่ลาบของพวกเราพวกเราได้ไม่ดีที่ต้องฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นจำนวนมากเพราะการครองชีพเพราะต้องเลี้ยงดูบุตรภรรยาภิกษุได้ยินพวกช่างทอผ้าไหมตำหนี ประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตําหนิประนามโพลธนาว่าจะไหนพวกภิกษุชาว พ, พักีจึงเข้าไปหาช่างทอผ้าไหมแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านจงต้มตัวไหมจํานวนมากให้แก่พวกอาตมาบ้างพวกอาตมาต้องการจะทําสันทัดผสมใหญ่ไหมดังนี้เล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นพากันตําหนิพวกภิกษุชาว พ, พักีโดยประการต่างๆ